หรือว่าริดของเมนทะกะเศรษฐีก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นแพะที่มีรัตนะในพื้นที่ประมาณ8กรีดของเมนทะกะเศรษฐีปู่ของนางวิสาขาเนี่ยนะปู่ของนางวิสาขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปุญญวตัตโตริดนะหรือแม้กระทั่งโชติกะหรือโชติยะเศรษฐีทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายเขาเรียกว่าปุญญวโตวอิทธิเนี่ยนะผู้มีบุญก็เรียกว่าตาธนาอะไรก็สําเร็จดังใจหมดแหะ ส่วนวิชาเมยาอิทธิเป็นอย่างไรก็คือฤทธิ์ที่เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าพวกวิทยาธรไร้มนแล้วก็เหาะได้สแสดงช้างบนอากาศเป็นต้นได้พวกนี้วิชาเมยาอิทิฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ที่เกิดจากเวทมนต์อาคมคถาทั้งหลายนั่นแหละนะสมัยก่อนก็เชื่อถือสมัยนี้ก็ชักยุบยุบไปเยอะแล้วไม่รู้ทําได้จริงไหมรู้นะจริงกับเกงก็ใกล้กันอะไรส่วนสุดท้ายเนี่ยนะฤทธิ์สุดท้ายหมายถึงคุณวิเศษที่ทํากิจกรรมนั้นแล้วบังเกิด หมายถึงว่าสามารถประกอบกิจกรรมทําสําเร็จได้อย่างที่ตัวเองต้องการเพราะรู้จักปัจจัยเป็นอย่างดีเรียกว่าสําเร็จการประกอบโดยชอบเป็นปัจจัยนี้ก็ชื่อว่าฤทธิ์ฤทธิ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฤทธิ์ที่สามารถทําอะไรได้จนประสบความสําเร็จได้หาเหตุหาปัจจัยอ่เาเรียกว่าองค์ประกอบสามารถสร้างรถสร้างอะไรทั้งหลายเป็นต้นได้พวกนี้ก็เป็นชื่อว่ามีฤทธิ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าฤทธิ์เพราะสําเร็จโดยการประกอบโดยชอบในกิจกรรมนั้นๆ คือบางคนเนี่ยมีบุญยริงจริงนะเพราะคิดจะทําอะไรก็ทําเสร็จหมดอนะ่ะขอให้อยากทําปรารถนาที่จะทํานั้นแหละแต่ว่าบางคนก็แต่ว่าเขาทนได้นะพวกนี้ถ้ามีใจอย่างแรงกล้าก็ไม่เลิกราที่จะกระทํากิจกรรมนั้นๆอธิบายว่ากําลังแห่งฤทธิ์สิบอย่างนี้ชื่อว่าอิทธิพะละกาลังแห่งฤทธิ์ฤทธิ์ทั้งหมดเหล่านี้ที่ฤทธิ์เหล่าใดที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ เช่นอ่ะอิเทริตธิทที่สําเร็จด้วยกําลังแห่งอภิน ญ, ญาเป็นต้นเนี่ยนะริทเหล่าใดที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ญาติทั้งหลายของพระองค์ไม่รู้หรอว่าพระองค์มีริทอย่างไรใช่ไหมก็คิดแต่ว่าเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายอยู่ดีมีสุขออกไปบวชก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะก็ก็คิดแค่นั้นเองก็ไม่รู้กําลังพระริทของพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลายไม่รู้กําลังริทของพระพุทธเจ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้กําลังริทของพระพุทธเจ้าว่าในบรรดาริทสิบอย่างเนี่ย สิ่งใดมีแก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ามีความสามารถทําได้ขนาดใดต่อไปบอกว่าพระญาติทั้งหลายเป็นต้นไม่รู้หรอกว่ากําลังปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรกําลังแห่งปัญญาปัญญาคืออะไรคืออรหัตตมรักษ์เนี่ยนะอันดับแรกเลยพระพุทธเจ้ามีปัญญาคืออรหัตตมรักษ์สามารถขุดรากเง่าแห่งโลภะโทสะได้หมดเลยโดยเฉพาะอรหัตตมรักเนี่ยนะขุดรากเง้าคือราคะขุดรากเง่าคือ โมหะมันอันนี้ก็เป็นกําลังของปัญญาของพระองค์หรืออรหัตตมรคนี่แหละเป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเพราะอารหัตตมรเป็นปัจจัยนะปัญญาสารพัดชนิดเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่ากําลังแห่งปัญญาพระญาติเหล่านี้ไม่รู้รอกว่าปัญญาของพระองค์แม้นั้นอะ่ะเป็นเช่นนี้ บางท่านบอกว่ากำลังแห่งปัญญาหมายถึงอาสาธรณญ า, านหประการอาสาธรณญ า, านหประการก็ชื่อว่ากำลังแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าอาสาธรณญ า, านหมีอะไรบ้างก็หมหากรุณาสมาบัติยาน 2. อ, อาสยานุสยายานสามอินทริยะโปรปริปรยติยานสมหากรุณาสมาบัติยาน5 0สัพพัญยุตยานหอานาวารณายานเนี่ย น, นะ อสาสาธารณยานหก็คือพระญาติทั้งหลายไม่รู้ ижу, หรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอาสาธรรยานยานที่ไม่สาธารณะแก่ชนทั่วไปเนี่ยเป็นเช่นไรหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าพุทธานุภาพหรือทศพลยานก็ชื่อว่ากําลังของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะว่าพระญาติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้หรอกว่า ทศพลยานยานที่เป็นกําลังสิประการของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดเนี่ยนะอย่างเช่นพระองค์เนี่ยมีฐานาฐานนยานเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีฐานาฐานนยานฐานาฐานญานยานที่สามารถกําหนดรู้ฐานะและอาฐานะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฐานาฐานนยานเนี่ยมาจากคําว่าฐานะบวกอฐานะฐานะบวกอฐานะเนี่ยนะฐานะแปลว่า เหตุอะฐานะแปลว่าไม่ใช่เหตุเช่นว่าอะไรเป็นฐานะของอะไรเช่นกุศลเนีเป็นฐานะแห่งสุขหรือแห่งทุกข์กุศลเป็นฐานะแห่งสุขอกุศลเป็นฐานะแห่งทุกข์กุศลไม่ใช่ฐานะแห่งทุกข์เลยอกุศลไม่ใช่ฐานะแห่งสุขเลย การที่รู้เหตุว่าอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรไม่ใช่ปัจจัยเป็นต้นความรอบรู้อย่างเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างมาเรียกว่าฐานะฐานะเนี่ยนะฐานาฐานายานซึ่งรายละเอียดพิสดารก็คงจะได้กล่าวอีกต่อไปในถ้าเรียนปัจนถึงมหาสีหน้าสตรมัชิมณิกายช่วงวันเสาร์ในอนาคตปีหน้านอาจจะเรียนถึงเป็นต้นเนี่ยนะก็ อ, อาจจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดโดยพิสดารบ้าง แต่ตรงนี้ก็ถ้าพูดหมดก็ไม่ต้องไปไหนแล้ะมันจะเป็นอะไรนะโทษพิสดารเกินไปอย่างที่ว่าจริงๆกันเลยอันดับแรกนะยามที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าคือฐานาฐานายานก็คือยามที่พระองค์อย่างรู้ว่าอะไรเป็นฐานะของอะไรอะไรไม่ใช่ฐานะฐานะแปลว่าเหตุปัจจัยสมุทยัยนิธานแดนเกิดอะไรเป็นแดนเกิดของอะไรอะไรไม่ใช่แดนเกิดของอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องควรจะเป็นอะไร อย่างที่สองอติตานาคตะปัจจุปันนะกรร ม, มวิปากชานะยานก็คือญาณที่สามารถกำหนดรู้ผลของกรร ม, มสมาทานกรรมเหล่าใดที่เคยทำไว้แล้วในอดีตกรรมที่จะทำต่อไปในอนาคตและกรรมที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันกรรมเหล่าใดที่ทำแล้วให้ผลเช่นใดเมื่อไรอย่างไรแค่ไหน อันนี้พระองค์มีอยางอยางที่กําหนดรู้อย่างรู้กรรมและผลของกรรมว่ากรรมเหล่าใดเป็นทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมเป็นอุปชาเวชนียกรรมหรือเป็นอัปปราปะเวชนิยกรรมกรรมเหล่าไหนให้ผลน้อยกรรมเหล่าไหนให้ผลมากหรือว่าอย่างเช่นอีกในหนึ่งก็บอกกรรมในอดีตให้ผลในอดีตกรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในอดีตก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันจะให้ผลต่อไปใน อนาคตกรรมอนาคตจะให้ผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอีกในหนึ่งหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าอย่างที่เราเห็นได้ยินเป็นต้นจากครูวิญญาณโสตวิญญาณการมีชีวิตอายุยืนยาวทํากรรมเหล่านี้ทำตั้งแต่เมื่ อ, อไรอย่างไรเป็นต้นเนี่ยก็นั่นแหละก็เท่ากับปร ะ, ปร ะ, ะไรนะถ้าเป็นเป็นคนพิเศษก็มันว่าร่างกายของเรานี่เจริญด้วยอาหารใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมว่าร่างกายเจริญด้วยอาหาร แต่เราดึงผมออกมาแล้วรู้ไหมว่าอันนี้ตัวอาหารอะไรทําให้มันมีผมแล้วกินตั้งแต่เมื่อไหร่ทานเมื่อไหร่อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะตอบได้หมดเลยขนาดนั้นไหมไม่ได้แต่เรารู้ว่าเป็นผลของอาหารใช่ไหมใช่ของมูสัตว์ทั้งหลาย ท, ทั่วไปก็จะรู้แค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ว่ารู้ละเอียดว่าเมื่อไรอย่างไรแค่ไหนเลือดสมมุติว่าเจาะเลือดมา c c, หนึ่งซีซีอะไรนะถ้าหนึ่งกระปุกขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าเลือดเม็ดนี้จากอาหารมื้อนั้นจากน้ําแก้วนี้ผสมกับตรงนั้นเมื่อนั้นมาประกอบกันอย่างนั้น ถามว่าเล่าได้บอกทั้งหมดไหมแต่ถามว่าถ้าไม่มีอาหารเป็นต้นจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นไหมบอกไม่มีแต่ว่าสามารถที่จะสาวแบบละเอียดจําเนกแยกแยะเหตุผลโดยประการทั้งปวงเช่นกรรมวิบากเช่นว่าผมเราเนี้อย่างพระพุทธเจ้าบอกได้เลยผมเนี่ยเส้นผมที่คุณมีเส้นผมแบบนี้คุณทํากรรมอะไรมาทําเมื่ อ, อไรอย่างไรแค่ไหนและมันจะให้ผลต่อไปอีกแค่ไหนอย่างไรนะผิวพรรณแบบนี้ทำกรรมอะไรมา ผิวแบบนี้ทำกรรมมาเมื่อไรอย่างไรแค่ไหนและกรรมเหล่านี้ผิวอย่างนี้จะมีผลต่อไปอีกนานขนาดไหนเป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าจะตอบได้หมดเลยแต่ว่าทั่วๆไปก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแทนมันนั่งจำแนกอย่างนั้นก็ไม่ต้องจบต้องสิ้นเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าทำกรรมอะไรมาจึงมีปหาบุริศลลักษณะดีกว่าเพราะงั้นถ้าอย่างนั้นน่าอัศจรรย์กว่าเรียนแล้วมีศรัทธาเพราะงั้นแล้วก็ต่อไปสับพัทธาคามิหนีปฏิปทายานแปลว่ายานที่กําหนดรู้ ท า, ทางที่ไปสู่ภูมิทั้งปวงว่าเออถ้าแกทําตัวแบบนี <t uj im ati> bon ok ้นะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมแบบนี้ประตูนรกฝังนนันี่คือทางไปสู่นรกกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมแบบนี้นี่ทางเปรตกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมแบบนี้เดรัจฉานต่อไปนะทำตัวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้แนวความคิดแบบนี้ต่อไปมนุษย์พฤติกรรมแบบนี้ทําตัวแบบนี้ต่อไปเทวดาแล้วก็ไล่เลยว่าทําตัวแบบนี้พูดแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้จ่าตุ้ม ทำมาตัวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้อยู่ดาวดึงญามาดุสิตนิ ม, มานารดีหรือไปสู่พรหมโลกหรือถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเช่นนี้ปรินิพันธ์พระองค์รู้หมดเลยว่าถ้าพฤติกรรมคําพูดแบบนี้จะมีผลต่อไปในอนาคตอย่างไรเนี่ยยานที่อย่างรู้อันนี้เรียกว่าสัพพัทธามินีปฏิปทาญานยานที่คำว่าสัพพทธ์ก็แปลว่าโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะในข้อปฏิบัติที่ไปสู่คติห้านรก เดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาหรือปฏิปทาก็คือทุกขะนิโรธคามิหนีปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รู้ทางเป็นผู้ฉลาดในหนทางเป็นผู้บอกทางแม้กระบอกทางทุกชนิดทางแห่งคติและทางให้พ้นจากคติสาวกทั้งหลายเป็นผู้เดินตามทางเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าแนะนําอันนี้ก็เป็นกําลังอย่างที่สามของพระพุทธเจ้า เรียว่ากําลังที่ยังรู้ว่านี่เป็นทางไปสู่ที่ไหนเนี่ยนะต่อไปสี่อเนกธาตุนานาธาตุโลกชาณาญาณญาณที่กําหนดรู้โลกรู้ธาตุเป็นอเนกและก็ธาตุต่างๆกันคือรู้ธาตุของของธาตุเนี่ยนะเช่นปฐวีธาตุมีลักษณะอย่างไรอาโปธาตเตโชธาตุปฐวีต่างจากอาโปอย่างไรแล้วสมมติว่ต้นไม้เอามาต้นหนึ่งเลยธาตุเหล่านี้มีรองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วทาไมต้นไม้ชนิดนี้ ทำไมมะนาวจึงเปรี้ยวอธิบายได้นะว่าทำไมมะนาวจึงเปรี้ยวทําไมสดาจึงขมทําไมอดอกทานตะวันมันจึงหันหน้าไปอย่างนี้หรือทําไมคนนี้คิดอย่างนี้เพราะอะไรเรียกว่ายานที่สามารถอย่างรู้ว่าธาตุเช่นจักขคุธาทําไมตาคนนี้จึงตาเหลือกตาเหล่ตาเคตาเอียงเป็นต้นนะแยกได้หมดเลยว่าตาแค่นี้ทําไมมันเห็นได้ขนาดนี้ความแตกต่างแห่งธาตุความหลากหลายแห่งธาตุเช่นธาตุหนึ่งธาตุสองธาตุสามธาตุสี่ธาตุหกธาตุ สิบแปดเนี่ยนะแล้วก็ธาตุเหล่านั้นทั้งที่เป็นสังคตะธาตุและอะสังคตะธาตุเรียกว่าฉลาดแยกแยะในความเป็นเป็นความต่างๆของธาตุอันนี้ก็เป็นกําลังอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีกําลังเหล่านี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรได้นีอย่างที่ห้านาณาทิมุติกยานยานที่กําหนดรู้อธิมุติคืออัธยาศัยทั้งหลายของสัตว์เนี่ยนะว่าอันนี้อัธยาศัยดีหรืออัธยาศัยเลวอัธยาศัยปานาติบาหรือเว้นจากปานาติบา เรียกว่าอัธยาศัยนักฆ่าหรือนักปล่อยอัธยาศัยนักโกงหรือว่าไม่โกงไงนะอัธยาศัยกาเมหรือไม่กาเมอัธยาศัยมูสาหรือไม่มูสาอัธยาศัยพฤทสวาจาหรือไม่พฤทสวาจาเรียกว่าอัธยาศัยเขาเป็นไปอกุศลกรรมบทหรือกุศลกรรมบทเรียกว่าอัธยาศัยดีหรืออัธยาศัยชั่วแล้วก็มาย่อว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยชั่วก็คบกับพวกมีอัธยาศัยชั่ว ผู้มีอัธยาศัยดีก็คบกับคนมีอัธยาศัยดีในอดีตนะคนเลวก็คบคนเลวอนาคตต่อไปคนเลวก็คบคนเลวปัจจุบันนี้คนเลวก็คบคนเลวอย่างขี้เมาก็คบแต่ขี้เมาแต่ว่าเนีเพราะเปนั่งควนกั้งกินเหล้ากับคนไม่เมาได้ที่ไหนใช่ไหมพอเลิกเมาก็ต้องหาพวกใหม่แลยนะมันก็เป็นไปตามธาตุอย่างนั้นน่ะคือว่าเป็นไปตามธาตุจริงๆตามอัธยาศัยพวกเพ้อเจิมจะเข้าไปหาด้วยกันก็เหมือนกับน้ําจะไหลไปรวมกันนะคนธาตุใกล้กันมันก็จะเข้าไปสู่รวมกันคือว่าธาตุมันเปป็นไตตาาม แต่ถ้าธาตุมีธาตุตัวหนึ่งที่มาเป็นตัวแปรปั๊บมันก็ไหลไปหาธาตุแนวเดียวกันอีกก็อย่างเช่นกลุ่มทิฏฐิแบบใดก็จะไปรวมกันทิฏฐินะหมายความว่ากลุ่มปานาติบาตก็จะไปรวมกันกลุ่มปาณาติบาตพวกกลุ่มอาทินนาทานก็ไปรวมกันกลุ่มกาเมก็ไปรวมกันกลุ่มมูสากลุ่มสุรากลุ่มอภิชากลุ่มพยาบาทกลุ่มมิจฉาทิฏฐิก็ไปรวมกันกลุ่มเว้นกลุ่มผู้มีศีลเป็นต้นมันก็จะไปรวมๆๆกันแค่เรียกว่า มันเป็นอย่างนี้มาตั้งอดีตอดีตเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่อไปอนาคตมันก็เป็นไปตามธาตุนานาทิมุติกยาเนี่ยเป็นไปตามอาทิมุติคือเป็นไปตามจริตอัธยาไสยมันเป็นให้เราเสมอกันด้วยธาตุงนั้นนะ่ะอย่างที่หอาศยานุสยายานตรงนี้ก็บวกอิใจริยโปรปริยัติยานด้วยเนี่ยนะแสดงว่าเป็นผู้ทัศสุข เป็นพุทธจักสุ ข, ของพระองค์ที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์หมายว่าคนนี้มีศรัทธามากหรือศรัทธาน้อยรู้เลยคนนี้เพียรมากหรือเพียร น, น้อยคนนี้สติมีมากหรือมีน้อยคนนี้มีสมาธิ ม, มากหรือสมาธิน้อยคนนี้มีปัญญามากหรือปัญญาน้อยเยกแยะออกเบ็ดเสร็จหมดเลยคนนี้บรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้ไอ้ที่บรรลุได้ต้องบ่มนานขนาดไหนใช้เวลาขนาดไหนใช้คําสอนขนาดไหนใช้เทศนาขนาดไหนจะบรรลุได้เมื่อไร่อย่างไรหรือบรรลุได้แค่ไหนอันนี้เป็น อาสยานุสยามยานของพระพุทธเจ้าวิจัยเบ็ดเสร็จหมดแล้วจึงสอนของเราสอนดูก่อนแนละ้วค่อยว่าอีกทีเขว่าเรียนลองเรียนดูก่อนกันละกันถ้าไม่ไหวก็เลิกนะเนี่ยนะเขาว่างี้นะแต่เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยเขารียกว่าสำรวจตรวจตราตรว จ, รว จ, รวจสอบเบ็ดเสร็จหมดแล้วจึงค่อยทำนั้นพระพุทธเจ้าสอนแล้วพลาดไม่มีเนี่ยนะบอกว่าพระองค์เนี่ยเ้าทายอย่างว่านะบําเพ็ญบารมีมเพื่อทํากิจเหล่านั้นโดยตรง เพาะะนั้นพระองค์ก็ทำกิจเสร็จแล้วพระองค์ก็ล่วงรับไปเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในโลกเรียกเราว่าสุดสุ ด, สดเปล่งที่จะเปล่งแสงสุดแล้วก็รับไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันทําความรุ่งเรืองทําความเจริญให้แก่โลกพระองค์ก็เสด็จไปดีแล้วสุขโตว่างั้นนี้ต่อไปยานที่เรียกว่าชาณวิโมกขสมาธิสมาปฏิสังกิเลสโวทานะวุธานะยะถาภูตะยานแปลว่า ยานที่สามารถกําหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าความเศร้ามองบริสุทธิ์และก็การออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมบัติแปลว่าฌานเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นความเศร้ามองของปฐมฌานอันนี้เป็นความวิเศษสะพายกยะของปฐมฌานอันนี้เป็นวิเศษขึ้นของปฐมฌานถ้าคุณเจริญฌานแบบนี้เศร้ามองถ้าทําแบบนี้ผองแผ่ว อันนี้เป็นการวิธีเข้าฌานอย่างนี้วิธีการดํารงอยู่ในฌานอย่างนี้วิธีการออกจากฌานของปฐมฌานทุติยฌานหรือสมาบัตแปนะถ้าทําอย่างนี้จะได้สมาบัติเช่นนี้ทําแบบนี้คิดแบบนี้ดํารงอยู่ในสมาบัติเหล่านี้ได้คิดแบบนี้ทําแบบนี้สมาบัติเศร้าหมองทําแบบนี้เจริญแบบนี้สมาบัติ่ตองแผวยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่ารู้วิธีเจริญรู้อะไรเป็นความเศร้าหมองอีกในหนึ่งก็บอกว่ารู้ว่าอะไรเป็นความเศร้าหมอง ของความคิดอะไรที่สามารถทำให้ความคิดบริสุทธิ์ขึ้นคิดยังไงความคิดจะบริสุทธิ์ขึ้นรู้จักเหตุรู้ปัจจัยของสมาธิอของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติเช่นปฐมฌานทุติตติจตุทะปัญจมะเป็นต้ น, นนะนะรูปฌานอรูปฌานหรือวิโมกวิโมกแปหรือว่าสมาธิสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิไม่มีวิตกวิจาร สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์หรือว่าสมาธิมีองค์ห้าเป็นต้นหรือสมาบัติเนี่ยนะรูปประจานสมาบัติอรูปปัจจันสมาบัตินิโรธสมาบัติทละสมาบัติสมาบัติเหล่านี้มันเศร้าหมองเพราะอะไรมันบริสุทธ์เพราะอย่างไรเข้าสมาบัติเหล่านี้ได้อย่างไรอกจากสมาบัติเหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์รู้อย่างนี้แหละเรียกว่ายามที่เป็นกําลังของพระองค์อย่างที่เจ็ดชื่อเต็มยศว่า ชาณวิโมกหาสมาธิสมาปัติสังกิเลสะโวทานะวุฒานะยะถาภูตยานเรียกว่าอะไรนะชาญก็บวกชาญบวกวิโมกบวกสมาธิบวกสมาบัตินะก็คือคุณธรรมหนึ่งชาญสองวิโมกสามสมาธิสี่สมาบัติส่วนสังกิเลก็คือความเศร้าหมองของชาญวิโมกสมาธิสมาบัติโวทานก็แปลว่าความผ่องแผ้วของชาญวิโมกสมาธิสมาบัติวุฒานะว่า เข้าฌานออกฌานได้อย่างไรเข้าวิโมกออกวิโมกอย่างไรเข้าสมาธิออกสมาธิอย่างไรเข้าสมาบัติออกสมาบัติได้อย่างไรพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงอันนี้เป็นกําลังข้อที่เจดของพระองค์เนี่ยนะที่สามารถปฏิญาณว่าเป็นาศาสดาของโลกได้เนี่ยนะประกาศพรมาจักรให้เป็นไปส่วนญาณที่แปดที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพระองค์เนี่ยมีปัญญาที่ระลึกชาติในหนห ล, ลังได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติเป็นต่อดถึง หลายแสนชาติหลายสังวัตกรรวิวัตกรรมหลายๆมหากรรมหรือแม้กระทั่งหลายหลายอสงไข่กับเป็นต้นว่าสมัยนั้นคนนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นเ mm hmm. ช่นถ้าใครเรียนพุทธวงศ์นี่จะรู้ดีว่าพุทธวงศ์เนี่ยพระองค์แสดงด้วยปุเพนิวาสานุสติยานสา ม, มารถระลึกของพระองค์เองก็ได้ของบุคคลอื่นทั้งหมดก็ได้เนี่ยนะก็ะเรียกว่าอยู่ด้วยความประสงค์ของพระองค์ว่าประสงค์จะรู้หรือไม่ แต่ที่สำคัญว่าความรู้ทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตว์หรือไม่เท่านั้นเองข้อที่เกก็คือจุตูปปาตยานยานที่สามารถกําหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายหมายก็ว่าว่าจุติเมื่อไหร่และปฏิสนธิเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนและกรรมเหล่าใดนําไปสู่ปฏิสนธิณนะที่ต่างๆว่าเช่นว่าผู้ที่ประกอบความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เป็นมิจฉาทิฏฐิเตรียมพราริยสมาทานทำกรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแต่เข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกหรือตรงกันข้ามเนี่ย น, นะว่าเป็นผู้ที่ทำความดีพระพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ไม่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิทํากรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วก็กรรมที่ทําไปให้ผลอยู่นานแค่ไหนอะไรยังไงเคลื่อนจากมนุษย์ไปเกิดที่ไหนได้บ้างเช่นว่าเคลื่อนจากนรกมาเกิดที่ไหนได้บ้างเคลื่อนจากมนุษย์ไปเกิดที่ไหนได้บ้างเคลื่อนจากเทวดาไปเกิดที่ไหนได้บ้างเคลื่อนจากพรมไปเกิดที่ไหนได้บ้างเป็นต้นอย่างที่พระองค์กล่าวไว้ในอังคุตระนิกายว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเคลื่อนจากนรกโดย ที่มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาน้อยแต่เคลื่อนจากนรกไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรชานมากกว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่2ผู้ที่เคลื่อนจากเปรตแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาน้อยมาเป็นนรกเปรตอสุรกายเดรชาญมากกว่าแล้วก็อย่างที่สามบอกว่าพวกที่เกิดในเดรชาญจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาน้อยโดยมากไปนรกเปรตอสุรกายเดรชาญมากกว่าทีนี้มนุษย์เหมือนกันว่ามนุษย์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอีกน้อยกลับไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรชาญมากกว่า เทวดาทั้งหลายกา마าวาจรเทวดาที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีน้อยกลับไปสู่นรกเปรดอสุรกายเดรฉ า, านมากกว่าเว้นแต่พรหมพรหมนี่มาสู่สุขติแต่ว่ามาเป็นมนุษย์แต่ว่าต่อจากมนุษย์ไปแล้วไปไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะมนุษย์เนี่ยมันเป็นเครียกว่าทางมันซับซ้อนมากนะถ้าเดินหลุดไปทีเนึ่ยก็เหมือนทางบนกรุงเทพนี่แหละทางไม่ชนานาญทางไม่รู้จะหลุดที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะนะจะไปเหนืออยู่ดีๆเอาไปภาคใต้เรียบร้อยแล้วก็ได้เนี่ยนะ เพราะว่ามันจะวนมันจะวนไปขวาใช่ไหมของเราจะไปขวาด้านออกซ้ายก่อนแล้วอ้อมมาจึงปากกลับมาขวาได้ถ้าเป็นแบบถนนแบบมันนอกไปที่ไหนมันขวาทีเดียวมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมแต่ถนนทางเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคุณจะไปขวาคุณต้องออกซ้ายก่อนแล้วอ้อมแล้วกลับมาขวาได้ไงนะโอ้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยยิ่งระวังน้ําวนดิฉั้นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นอย่า ง, งานั้นจริงๆว่ามนุษย์เนี่ยถือว่าจะไปไหนก็ได้ คือมันแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าในทิศแดทิศเนี่ยนะจะหมุนตัวเองจะเดินไปไหนก่อนก็ได้เลือกทำเลือกพูดเลือกคิดได้ไหมมีสิทธิ์ไหมปัญหาว่าไม่ใช้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช้สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ยอมจำนวนให้กิเลสหมดนี่ต่อไปอาสะวะคยายานยานที่รู้วิธีทำอาสะวะให้สิน้นเช่นโสดาปฏิมักทมทิฏฐาสะวะให้สิน้นอนาคามีมักทกามาสะวะให้สิน้นอรหัตตมัรรม ภาสะวะและอวิชชาสะวะให้สิ้นไปเนี่ยนะ เ, เรียกว่าอาสะวัค ย, ยานพระพุทธเจ้ายัางรู้ญาณทั้ง10ิประการญาณทั้ง10ิประการเหล่านี้แหละเป็นกำลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่ฐานาฐานญ า, านอณอติตานากตะป จ, จุปันนะก ร, รมวิปากะชาณนนะญาณสัพพะทคามินีปฏิปทาญาณอเนกาธาตุนาน า, าตุโลกะชาณนะญาณเป็นต้นเนี่ยนะอสาวาลีทั้งหมดเลยนะ ยานเหล่านี้เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าพระญาติทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้รอกพระพุทธเจ้ามีกําลังปัญญาอย่างไรเนี่ยนะก็เอ่ยแต่ชื่อนี่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยนะจะกล่าวไปยัยถึงว่าท่านยานเหล่านั้นขีดความสามารถขนาดไหนจากขนาดไหนเรียก ว, ว่าคนตาบอดไม่ใช่อยู่ในวิสัยของที่จะเข้าใจว่าไอ้คนตาดีนี่มันเห็นได้แค่ไหนสมมติถ้าเกิดมาตาบอดบอดสนดบอดมืดมิ ด, ม, ดมาเลยเนี่ยนะ เราให้ฟังว่าเออคนเขามีตานะเขาดูอย่างนี้นะเกาจะดูสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงดูสีวิจิตขนาดไหนก็ได้ดูสูงดูต่ำดูยังไงก็ได้คนตาบอดเกิดมาฟังหมกฟังไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรฉันใดเนี่ยนะคนที่มีโมหะฟังเรื่องยานก็ฟังยากอย่างนั้นแหละเอาถามว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีโมหะแล้วทำยังไงจํานวนไปเลยยอมรับด้วยดีบอกว วันนี้ทําไมขาวแท้ขอต่อต่อไปบุญกุศลคนงามความดีเหล่าใดก็ชอจงเป็นไปให้มีปัญญาด้วยเถอะเนี่ยนะถ้าทําบุญและตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีปัญญาเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าคนที่มีอะโมหัตยายใสทั้นต่อไปเขาจะสั่งสมความไม่โงู้เข่าเนี่ยนะสั่งสมความรู้ต่อไปก็ขอให้มีความรู้แต่ที่สําคัญจะต้องเห็นโทษของความไม่รู้ให้มากแต่มันก็มีบางพวกนะบางพวกก็บอกเออก็เราเอา้าก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเ่บาบอกงั้น ถ้าอย่างนี้ก็อนุรักษ์ได้ขนาดนะอนุรักษ์ได้ดีเยี่ยมพอถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็อนุรักษ์ไปอธิบายว่าก็เพราะเหตุที่พระญาติทั้งหลายไม่รู้ว่ากําลังของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธคุณเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อาศัยแต่ความที่ตนเนี่ยเป็นคนแก่แก่เปล่าเฉยๆแก่เพราะอะไรก็บอกว่าในคาถาธรรมบทก็บอกว่าเหมือนกับโคที่ กินแต่หญาเนื้อหนังมังสาก็เจริญเอาเจริญเอาฉันใดคนที่บางทีอายุมากขึ้นก็สติปัญญาก็ไม่ได้เจริญอะไรรอกเรียกว่าโตฟักโตแฟงโตแต่งกวาเป็นต้น น, นะนเพราะฉะนั้นญาติเราเนี่ยโตแต่แบบเรียกอายุมากแบบนั้นเฉยเฉแต่ก็ไม่ไว่ายเราพูดเจริญที่สุดพูดประเสริฐที่สุดในโลกไอ้ที่ไม่ไว่ายเนี่ยข้างในไม่มีอะไรมีแต่ลมพองในใจอย่างเดียวคือด้วยมานะเนี่ยนะลมมันลำพองด้วยมานะอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆไม่ใช่มีคุณธรรมอะไรหรอกเนี่ยนะ ฉะนั้นธงคือมานะของพระญาติเหล่านั้นมีอยู่เราจะรานมานะเราจะทำลายมานะเพื่อแสดงธรรมเพื่อจะให้พระญาติได้ไหว้เราบอกว่าพุทธพลังก็คือพุทธานุภาพยาณวิเศษของพระพุทธเจ้าอนุตรังไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งกว่า พระองค์ก็เลยเนยรมิตรสถานที่จงกรมก็เรียกว่าจังกรรมนังสถานที่จงกรมสถานที่เดินกลับไปกลับมาแต่ไม่ใช่ที่เดินสี่ซอกเดินกลับไปกลับมาก็เมาหัวเป็นลมอยู่ตรงนั้นนะแต่มาเขว่าที่เนี่ยพระพุทธเจ้าเดินที่จงกรมเนียเน่ยเนรมิตรยาวขนาดไหนแค่หมื่นโลกธาตุเนี่ยนะถือว่าเอาหมื่นโลกธาตุเนี่ยแต่เรียกว่ามันเหมือนกับทางด่วนแบบพิเศษ อ, อะไรนะะพวกโทเวพวกอะไรนะก็มีเสามันจะมีเสาใช่ไหมเสามาตั้งตั้งแล้วก็จะมีเพราะนั้นรองอันนี้ก็ พระองค์เนี่ยเนรมิตรที่จงกรมฉันนั้นนั่นแหละแต่ว่าเสาเนี่ยที่จงกรมมันมีอยู่ใช้เขาสิเนรุหนึ่งหมื่นเนี่ยใช้เสาซีเนรุเนี่ยวางเรียงกันหนึ่งหมื่นแล้วก็มีจัำถันมาวางพาดแล้วก็เนรมิตเป็นรัตนะ์จงกรมเนี่ยเดินกลับไปกลับมานั่นแหละที่จงกรมเนี่ยเรเดินเป็นหมื่นโลกธาตุนนเนี่ยนะทีนี้โรงโรงจ ง, จงกรมมานั้นเนี่ยทำด้วยสัพผ้ารัตน์มันดิตังก็คือตกแต่งด้วยรัตนะ เพราะให้เกิดความยินดี10อย่างเช่นเอาแก้วมุกดาแก้วมณีไผ่ทูลสังศิลาประพันเงินทองและแก้วลายพวกเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละมามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างโรงจงกรมเครียกว่าใช้วัสดุคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไผ่ทูลสังศิลาประพานเงินทองแก้วลายเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นเครื่องรัตนะเพราะฉะนั้นพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วว่าพระองค์จะเนรมิตโรงจงกรมเนี่ยนะ เทวดาทั้งหลายมีพุมมะเทวดาเป็นต้นที่อยู่ในหมื่นจักรวาลก็มีใจบันเทิงพากันถวายสาธุการพระสังคีติกาจารก็เลยกล่าวว่าพู ม, มะเทวดาภาคพื้นดินชั้นจารตุ ม, มหาราชดาวดึงยามาดุสิตเนมมานรเดปารนิมมิตตาวสวดดีเหล่าเทวดาฝ่ายพรหมก็พากันร่าเริงเปล่งเสียงดังกึกก้องกึกกล้องอันนี้ด้วยอะไรอนุโมทนาสาธุการนี่ยนะ อธิบายว่าเทวดาที่อยู่ในอากาศได้ยินเสียงของเหลา่าเทวดาที่อยู่บนภาคพื้นดินก็เปล่งเสียงดังต่อจากนั้นเทวดาเมฆหมอกเทวดาเมฆร้อนเมฆเย็นเมฆฝนเมฆลมเมฆฟ้าผ่ามีบ้าไหมต่อจากนั้นเทวดาชั้นจาตมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาน a r a d i p a r a n i m i t t a v a s w มูววม่พร prom prompurohit m a ร a p r o m p a r i า a p h า paramanaphasara p า r i t a pha p a สุภกินหาเวหัพลาอาวิหาตัปปาสุทธสาสุทธศีอกนิถาพรมเหล่านั้นทั้งหมดนับตั้งแต่พรมเทวดาจนถึงพรมชั้น ส, สุดท้ายได้ยินเสียงก็เปล่งเสียงดังเทวดาและมนุษย์หน้าเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดในสถานที่ที่โสตายตนะรับฟังได้เว้นอสัญญสัตว์และอรูปราวจรสัตว์มีใจตกอยู่ใต้อำนาจปีติก็แปลว่าทุกสัตว์มีปีติพากันเปล่งเสียงดัง ก้องสูงเล็บขึ้นเนือนะก็อนุโมทนาสาธุการด้วยปีติและปราโมทเนี่ยนะจะพักสักครู่กันนะครับ